แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าเขย่าวขวัญบ้านเขมรสวัสดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่ส่งมาให้ทางเราเธอเล่าว่าเธอชื่อหญิงเรื่องของเธอเกิดขึ้นตอนสมัยเรียนเด็ญยาตรีจะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งชอบลองของลองดีกับสิ่งลี้ลับเสมอประมาณว่าถ้าใครชวนไปทำอะไร หรือได้ข่าวมาจากไหนเป็นได้ต้องชวนกันไปตลอดในแก๊งจะมีเธอหนุ่มโตโต้มุ้ยมาร์มุยมม้ยเคยเล่าให้ฟังว่าอำเภอถัดออกไปมีบ้านขเขมรอยู่หลังหนึ่งบ้านนี้มีกันอยู่สี่คนพ่อแม่และลูกเล็กๆอีกสองโดนโจรขึ้นบ้านโจรฆ่าตายหมดยิงพ่อกับแม่และปาดคอลูกทั้งสองคนโจรไม่ถูกจับแต่หลังจากนั้นไม่นานได้ข่าวว่าโจรได้หนีไปใช้ชีวิตที่จังหวัดอื่น แล้วจูๆก็ผูกคอตายพอได้ย e ินเรื่องเล่าแก๊งลองของก็พากันหาแผนที <c oughs> ่ที่จะไปบ้านหลังนั้นอุปกรณ์มีแค่ไฟฉายคนละอันกับมอเตอร์ไซค์สองคันที่จะพา5าชีวิตไปพิสูจน์ความน่ากลัวเมื่อไปถึงบ้านเขมรทุกคนมุ่งมั่นที่จะไปพิสูจน์ความน่ากลัวว่าจะเป็นอย่างที่เขาเล่ากันมาหรือเปล่าทาไมนะจะกลับไปเหยียบปากคนเล่าเลยจริงๆเธอเอ่ยขึ้น บ้านไม้สองชั้นรอบข้างรกร้างมีแต่ต้นหญ้าล้อมรอบคงรกร้างมานานเพราะทุกคนในบ้านเสียชีวิตหมดจึงไม่มีใครมาอยู่ต่อญาติไม่มีถึงมีก็คงไม่มาเพราะรอบรอบข้างไม่มีบ้านคนเลยมาร์คคิดในใจแล้วพากันมันอยู่ได้ยังไงเนี่ยบริเวณบ้านมีรั้วกั้นขอบเขตบ้านชัดเจนบ้านไม้ที่ไม่มีคนอยู่มานานแน่นอนภาพไม่ค่อยน่าพิสมัยสักเท่าใดแต่ประตูบ้านแง้มอยู่ไม่มีคนเคยแวะมา เห็นร่องรอยการย่ำเท้าผ่านพงหญ้าอย่างชัดเจนโตโต้เคยได้ยินมาว่าบ้านหลังนี้เป็นของเท่าแก่คนหนึ่งเจ้าของโรงหล่อในย่านนั้นเท่าแก่รับคนงานต่างด้าวมาทํางานด้วยจํานวนมากซึ่งสมัยนั้นต่างก็ลักลอบเข้ามางานโรงหลอก็คืองานที่คนไทยเบือนหน้าหนีเพราะทั้งร้อนทั้งหนักต้องพึ่งพาแรงงานเพื่อนบ้านกิจการจึงดําเนินต่อไปได้ต่อมายุคเศรษฐกิจฟองสบู่กิจการซุดเท่าแก่ขายกิจการพาครอบครัวไปอยู่จังหวัดอื่น จึงยกบ้านให้ครอบครัวเขมรอยู่เพราะครอบครัวนี้ทํางานกับเท่าแก่มานานแถมเป็นที่ไว้วางใจของเท่าแก่มากเท่าแก่เหลือให้ดูแลบ้านให้หวังว่าสักวันถ้าได้กลับมาก็จะได้มีบ้านอยู่พวกของเธอซึ่งเป็นวิศวกรในอนาคตพากันเดินเข้าไปในบ้านพร้อมไฟฉายคนละอันค่อยๆเดินฝ่าความมืดเข้าไปด้านในตัวบ้านทั้งฝุน่นทั้งหยากย่าท่ตามเฟอร์นิเจอร์เก่เกาๆทันใดนั้นก็มีเสียงหมาหอนมาจากไหนไม่ทราบ เสียงหวยหวนฝ่าความมืดเข้ามากระทบหูคืนนั้นเป็นวันพระคืนเดินมืดมืดสนิทมีเสียงลมหายใจทั้งห้าชีวิตที่ต้องการมาพิสูจน์สิ่งที่มองไม่เห็นและแต่ละคนก็ไม่เคยเจอทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ด้านบนลมพัดหน้าต่างปิดอย่างแรงปัง้มเธอสะดุ้งไหนมึงบอกว่ามึงไม่กลัวไงโตโต้พูดกระซิบใส่หูเธอก็แค่ตกใจอ่ะ ย้อนกลับมาร์กชวนทุกคนไปด้านบนไปดูที่มาของเสียงพวกเธอก็เดินขึ้นบันไดไปใช้ไฟฉายส่องไปด้านบนจากเดืมมีแสงไฟของพวกเธอห้าจุดจู่ๆไฟฉายของเธอและมุ้ยก็ดับอ้าเวเฮ้ยให้มันได้อย่างนี้สิมุ้ยกล่าวไม่เป็นไรเดย์สามเดี๋ยวกูจะยยกไปดูนะเกอกลุ่มกับแบบนี้ไม่เห็นอะไรแน่มาร์พูดหนุ่มกับเธอไปด้วยกันจนมาร์มุ้ยโตโต้ไปอีกทาง ด้านบนมีห้องนอนสองห้องห้องเก็บของหนึ่งห้องตรงกลางว่าเวลาเหยียบก็จะมีเสียงเล็กน้อยห้องแรกนุ่มกับเธอเข้าไปดูส่องไฟไปเจอตู้เสื้อผ้าเตียงนอนไม่เห็นจะมีอะไรเลยนุ่มบอกห้องที่สองสองนุ่มกับหนึ่งสาวเดินเข้าไปเห็นเตียงนอนเล็กๆสองเตียงคู่กันและตู้เสื้อผ้าสองหลังคิดว่าคือห้องเด็กลูกทั้งสองคนของเจ้าของบ้าน จู่ๆมุ้ยก็ขนลุกขึ้นมาเพราะปลายหางตาเห็นเงาเล็กๆอยู่มุมห้องแต่ไม่กล้าหันไปมองเต็มๆกลับกันไหมมุ้ยพูดเออถ้าไม่มีอะไรก็กลับกันเสียเวลาว่ะนมบอกทั้งหมดก็เดินออกจากบ้านขเขมรหลังนั้นแล้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปพร้อมความผิดหวังมุ้ยเป็นคนเดียวที่หันหลังกลับไปดูบ้านหลังนั้นอีกครั้งสิ่งที่ได้เห็นคือเงาของเด็กตัวเล็กๆตรงหน้าต่างบานหนึ่ง มุ้ยรีบหันหน้ากลับและไม่ได้ปริกปากพูดอะไรอีกจนถึงที่พักพร้อมมือที่มีเหงื่อเปียกชุ่มเฮ้ยพวกมึงเห็นอะไรกันบ้างไหมมาร์คถามไม่เห็นนะ่ะกูก็นึกว่าจะเจอเธอบอกทั้งห้าชาวบ้านพักหลังเดียวกันอยู่หน้ามหาวิทย <_ S 1> าลัยเธอกับ ม, มุ้ยขึ้นนอนห้องตัวเองสามหนุ่มนั่งดูทีวี v, พัลมเปิดเองทั้งสามเห็นพร้อมๆกันหันมองหนะ้าไฟกระพริบเ ป, ปิดเปิดปิดปิ ด, ปดมาร์อ้าปากค้าง อยู่ๆก็ยืนขาแข็งขยับไม่ได้สงสัยไฟตกไปนอนกันดีกว่าว่าโตโต้พูดทุกคนพากันนอนไปได้สักพักหนุ่มก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างๆหูแต่ฟังไม่ได้สับรู้สึกรำคาญจะนอนไม่หลับเสียงมันหลอนเข้าไปในโสตประสาทจนปวดแก้วหูเสียงนั่นแหลมขึ้นเรื่อยๆจะต้องลืมตาขึ้นมาเจอหน้าผู้หญิงผมยาวใบหน้ารูปไข่สีหน้าดำํำพราแววตาแดงก่ําแต่ริมฝี ป, ปากยิ้มซึ่งดูไม่น่าเป็นมิตรเท่าไหร่ ก้มหน้าลงมาหาจึงเกือบจะชนหน้าเขามีกลิ่นเน่าๆชยแตะจมูกหนุ่มตัวแข็งตกใจกลัวส่งเสียงเรียกเพื่อนส่วนวอนในใจแต่ไม่เป็นผลส่วนเธอเข้านอนสักพักรู้สึกเหมือนมีอะไรเย็นๆที่ขาทัานใดนั้นมีมือลากขาเธอลงจากเตียงอย่างแรงหัวฟาดพื้นเห็นเงาผู้ชายวัยกลางคนยืนอยู่ตรงปลายเท้าสูงประมาณ1นึเซนเมตร แววตาแดงกับดุดันจ้องตาไม่กระพริบมาที่เธอเธอหลบสายตานั้นหันมองใต้เตียงมีเงาเด็กตัวเล็กๆดำๆดวงตากลมโตจ้องมองพร้อมกับยื่นมือมาหาเธอช่วยด้วยเธอพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงออกจากลำคอตัวขยับไม่ได้พยายามจะลุกขึ้นอยากวิ่งหนีออกจากห้องนี้ทำไงดีอย่าทาอะไรหนูเลยหนูจะทาบุญไปให้จะไม่ร้องดีอะไรอีกแล้ว ขณะที่เด็กน้อยยื่นมือและกําลังจะยื่นหน้ามาหาไฟในห้องก็เปิดสวา่างหญิงลงไม่ทําอะไรอะ่ะนี่ฉี่ร่า ด, ด้วยเหรอมุ้ยถามเธอรีบลุกขึ้นมาก่อนมุ้ยตัวสัน่นเขามาเขามาเธอพูดได้เพียงซ้ําๆอยู่อย่างนั้นมุ้ยพาเธอลงมาด้านล่างเนื้อตัวสั่นเทาเงื้อชุ่มเต็มตัวเพอพูดแต่ว่าเขามาเขามา เจอสาหนุ่มด้านล่างทั้ง5้านั่งล้องวงฟังเรื่องเล่าจากปากหนุ่มและหญิงกับเหตุการณ์ที่ตนเองเจอไม่ถึงชั่วโมงฟ้าก็สางทั้งห้าพากันไปวัดหลังมหาวิทยาลัยวัดป่าที่เด็กๆนักศึกษามักจะพากันไปทำบุญวันหยุดทั้งห้าเข้าไปหาหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าตนไปทำอะไรกันมาแล้วก็เจอกับอะไรก็โยมอยากเจอเขาเขาก็มาให้เจอไงพระท่านบอกหลวงพ่อพึ่รน้ำมนต์ให้เด็กอีกกลุ่มไป ล่องของเหมือนกันเจอดีจับไข้หัวโกรนมาเลยไปป่าหลังมหาลาัยกันมาเจอจังๆหลวงพ่อบอกยิ้มยิ้มเด็กสมัยนี้สิ่งที่มองไม่เห็นเราจําเป็นที่จะต้องไปเห็นกับมันไหมฮะโยมเขาอยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเราเถอะนะโยมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเขาจะได้ไปเกิดหลวงพ่อสอนพวกเราแล้วหลวงพ่อก็พรนมน้นมนต์ให้ทั้งผ้าหนุนสาวพร้อมกับเทศนาให้กลับไปตั้งใจเรียน ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีเรื่องเล่าของพวกเธอก็ได้ส่งต่ อ, ตอไปอยังรุ่นน้องรุ่นแล้วรุ่นเล่าสําหรับคนที่ต้องการลองของต่อไปแต่พวกเธอนั้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเข็ดไปจนตายอย่าได้พบอย่าได้เจอกันอีกเลยหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ